ธรรมโมหะเวรักขติธรรมะจาริน ทุกเช่นไรก็ตกรูในปัจจุบันนี่แหละอ่าที่ที่รู้แล้วก็ เรียกว่าถ้าเป็นวัตถุ สรรพทานทีโอทีนั่นตั้งใจเจตนาให้อธิบายเรื่องสติเรื่องสตินี่คือเป็น มันต้องขึ้นต้นด้วยสตินะสติมาโตสุเวเสโยเป็นบาลีมันบอกเอาไว้ผู้ ผู้มันมีความชั่วแล้วในจิตสติมะโตสเวทเยก็ข้อหนึ่งสติมาสุขเมสติเห็นมั้ยประเสริฐนะมีความสุขแล้วก็ประเสริฐสติมาสุ เออเนี่ยทั้งเนี่ยจุดทั้งม้าก็คือเราพ้นทุกข์พ้นทุกข์เราจะไปดูตรงไหนเราพ้นทุกข์ไม่พ้น ขณะนี้ทําอะไรสัมปรายนะรูดพร้อมพรือลูกกายลูกใจอ่าลูกกายนั่งลูกกายเดินลูกกายทํา เอ่อว่าสัมมาไปเอาสอบระลึกชอบเอ่อพุทธานุสติเนี่ยเราระลึกถึงพระธรรมกันได้ถ้าไม่ถึงระลึกถึงพุทโธก็ระลึก ของรูปธรรมใช่มั้ยความจริงของนามธรรมก็คือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอารมณ์นะเราก็นึก มาดู อนัตตธรรมก็คือธรรมในใจเราที่กายมันเป็นนั่นแหละเป็นอยู่ๆๆคือเป็น เป็นตามธรรมตามธรรมชาติที่จะต้องเป็นอย่างนี้เอากําหนดไประลึกไปถ้าลึก อ่ะที่กำหนดไว้ก็เป็นกิสาน่ะทีนี้กิสาสัมมะอวิชชาสติอนึกไปในทางชอบคนนี้ไปคิดถึงเขาชอบสิ่งของ ลงไปในลบลงไปในโลกลงมาโลกที่มีวิญญาณที่ ชาวเมืองเหรอคนนี่ทําอีอย่างนั้นนี่ใครจะรู้เรื่องอะไรไม่ดีเพราะความโง่ของคนนั้นน่ะติกิดถึงเขานู้น ฉะนั้นที่มันหลงมันหลงที่กายด้วยหลงที่รูปมีวิญญาณรูปไม่มีวิญญาณจะทรัพย์สมบัติเข้าครอบเงินทองหรือทรัพย์อัศรา มันลงที่เปลูกลูกมีวิญญาณไม่มีวิญญาณมีวิญญาณก็อย่างที่ รูปก็คือรูปไม่มีจิเลตอยู่ในรูปนะเสียงก็เหมือนกันแห่มัน 5 อย่างนี่เป็นตัว คำว่ามีสตินี้เวลาอายตนะสัมผัสต้องรู้เลยว่าเราเห็นอะไรสิ่งที่ถูกเห็นนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รู้เป็นเรื่องของตากับรูปเค้าทําหน้าที่ของเค้าไม่มี ไสรูปนี่เป็นอย่างนี้มันไม่ดีไม่ชั่วอะไรถ้าดีชั่วก็เพราะเราไปวาดขึ้นมานะแล้วก็สารใจแล้วล่ะทีนี้เดินไปตรงไหนก็ตามมันมีตามีหูใช่มั้ยเนี่ยเนี่ยผู้ปฏิบัติผู้มีสติในการหาเห็นรูปให้ทันความหมายไม่ต้องให้ท่านตาเห็นรูปหารูปที่เกิดไสไปมาได้มีวิญญาณมีวิญญาณครองรูปที่ เขาว่าดีว่าไม่ดีหรือว่าสร้างมาใหญ่มาโตรูปถือล้านอาคารบ้านซ่อมของหอไม่มีบรรดามันหมุนเวียนเราเห็นปุ๊บ เพลนอารมณ์ของเราเกิดดับน่ะนะเวลามันคิดจํารู้สึกดีเป็นเป็นขันธ์เป็นขันธ์ธัมมันะเป็นฉันทะมานเรียกว่าเวทนาธัมมิบาก็ได้ถ้าพระอริยะท่านจะเรียก ทำได้ก็เป็นสัญญาสัญญาหมายรูปก็เป็นสมุติ สมมุติว่า Happy ถ้า การที่มันสมมุติเรากําลังงาม สัมผัสกับรูปกับสัมผัสอ่าอ่าให้รู้ว่า สมัยตักเพราะมันไม่อยู่ในบัญชาของของของทุรุเลยทุรุอยู่เหนือหมดแต่ว่าสิ่งที่ทุรุ มีมีอะไรอ่ะถ้าสติมันก็ตระลึกเป็นผู้ทํางานน่ะสติเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องใช้สติเราระลึกรูปรูป หมดจบจากที่แลตัณหาต้องมีญาณภัสสนะพยายามอย่างรู้ทัศนะความเห็นในอายตนะสัมผัสนี้ท่านทุกขณะเอ่อพยายามอย่างรู้ทัศนะคือ นะถ้าเห็นไม่ถูกตามความจริง เอ่อเป็นแต่การเป็นครูเป็นอาจารย์สอนก็ก็เป็นกระแสโลกก็ต้องทําตามหน้า ไม่ได้คิดจะยึดถือก็ยึดไม่ได้เพราะมันเป็นนะเป็นของผ่านไปหมดเลยเปลี่ยนแต่รับทราบสติระลึกรู้แล้วก็ เมเตอร์ซิฟผมอยู่ที่ 3 รอเนี่ยถ้าว่าเป็นของเราเป็นของเราอังกฤษเวลามันเสื่อมไปแล้วไปทุบขึ้นมา เออก็จะตายจริงๆยังไม่อยากให้มันตายอีก เอ่อในต้นไอ้ต้นไม้แก่นล่อน ทำให้ปอดมันลุกแวบอย่างนี้เป่าเป็นลมไม่สวยเอ่อวันนึง ไอ้กว่ามีสติว่าไม่ได้พิจารณาเรื่องอนิจจังด้วยเป็นธรรมคนเจ็บเป็นธรรมคนตายเป็นธรรมมันเป็นธรรมธรรมธรรมชาติที่ต้องเป็นอยู่นี้ถ้าสมาธิฐิมันก็ดูแลไปตามหน้าที่พอมันหมดแล้วก็เสร็จจบการมันทํางานไม่ได้อย่าจะไปให้ เป็นจริงที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็โง่ความ แต่รู้เรื่องคุณเนี่ยร่างกายเราเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนว่าเป็นของเราเค้ากิ้งก็จังครับมันมันเสื่อมไปชิ้นไปใช่ หาวิธีอย่างนี้น่ะอันนั้นแหละของที่หลอกของที่ปลอมเนี่ยมันขายได้ดีเพราะกี่เด็ก แต่เป็นอย่างนั้นคือนิยมนิยมกันให้ลุ่มหลงในโลกเพราะสิเลมันเก่งมันเป็น มันแต่ละระดับเชี่ยวชาญที่สุดโดยจะเหมาะขันธมานนี่เออเชี่ยวชาญในการหลอกลวง พัดจักรแล้วใครที่ทําลาย ตอนเป็นอายุ 29 มันก็แต่งตึงกันแล้วเออคนเป็นหนุ่มมาสาวเนี่ย ผู้เป่าไม่อยากให้ออกเอ่อผู้เป็นพระเจ้าสุโธทนะไม่อยากออกไปเห็นน่ะท่านจะพิจิตรพิจารณาเอ่อหาวิธีแก้สิ่ง อ่าก็เป็นปัญหาข้อหนึ่งเออสุดท้ายนอนค่อนข้างเจ็บอือผอมทรงทรงทรายปิ๊กไปให้มาอ้าวเออ <hey>, มีปัญหาขึ้นมาข้อที่ 2 ทําไมทําไมอีกจะไม่ต้องแก่อย่างเงี้ยอ่าไปให้คนตายอีกทีนี้ก็ตอนถึงกว่าตาย เจรจาอยู่ไปทําไมล่ะสิครับมันปัญหามันเห็น หืมนั่งนิ่งกายสงบใจสงบอืมก็ได้นิมิตเออมา มันก็ยังจําเห็นภาพติดตาตลอดเลยคนแก่คนเก่าคนตายตัวเองก็ต้องแก่ไปนี่นะจะร่ําจะรวยจะนี่ไอ้เมื่อลมให้อาจารย์ไม่จะบอกถึงไม่ ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วก็มันไม่ได้ไม่ใช่ของ เกิดพร้อมๆกับที่เจ้านะเกิดถ้าเกิด มันสามารถที่กอปปี้กันเป็นพระเวสตนน์ธาตุธาตุท่านมาซึ่งสีสระขออะไรก็ให้หมดไม่เสียดายอะไร เบื้องต้นผู้ที่เป็นท่านท่านสร้างบารมีมาให้พวกเรานี่มันก็ขึ้นอยู่ที่บารมีใครมีอะไรมีเคยให้เคยเสียสละมาอะไรที่เสียสละญาติญาติเคยเสียสละมาแล้วมันก็ไม่เสียดาย แต่คนก็เคยเสียทรัพย์เงินเหมือนกันเสียแล้ว 1,000 บาทก็ยังถือว่ามากอย่างนี้นะมันการให้การสละทรัพย์ออกสละออกด้วยไม่ให้ มากมากอย่างหลายในสัพตุบัติข้อข้อทั้ง eh 2 มันก็เคลื่อนไสไม่สอยไม่สังฆาเลย ติ๊กจอกๆหลบมันก็คิดเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรอันนี้ก็ไม่ใช่สมาธิอะไรเมื่อเรากลมหัวใจเราจะหมดอยู่ และถ้ามนาเคยเจตนาใช้พิจารณาแล้วว่าพวกนี้มันเป็นของอาศัยเมื่อเรายัง พอได้รับความสุขของสบัดอํานวยไปเป็นเท่าทุคของเอ่ออาสาสมัครที่ต่างๆเป็นห้องน้ําห้อง มันได้เห็นน่ะเออสติก็ลึกเพราะตัวแรกนี่เออตณีก็มากๆนี่หลากหลายๆๆๆๆคืออะไรก็โคตรโกง ผลที่การกระทําจะตามมาให้ผลก็ เขาจะเสียใจขนาดไหนถ้าเขาคิดกลับไปตอนนั้นเขาจะสำนึกตัวน่ะเดี๋ยวมันไม่คิดทุกอย่างขนาดไหนที่เขาหา ถ้าเกิดมาก็ได้ลบลบมาขึ้นไงเออต้องทํางานไปก็ได้นี่มีแรง ความโลภเป็นตัวบาปบังจิตไส้ไม่ให้มีปัญญาเข้าใจมั้ยถ้าความไม่โลภเนี่ยเป็นตัวสว่างจิตไม่โลภเนี่ยเป็นกุศลที่ฉลาดที่ทั้ง อย่าคิดว่าไปวัดได้ป้าหนูๆนี่ไม่มีดูที่ใจแล้วหมดหรือยังอ่ะอ่าตัวหลง 2 เราก็หลงเราก็หลงอีกเราของเราของของเราถ้าไม่ไม่มีเราไม่มีพวกเรามีของเรามีแต่ สารเพาะยังไม่ดีแล้วมันยังสะเทือนอยู่ เห็นเลยโอ้ก้อนใสดีแน่เห็นมั้ยจิตเราเหมือนกันถ้าความรบคมะขยับพุ๊กมันจะเถื่อนเลยมันบังที่จะไม่ง่ายจะ <iyorsun? S 2> ถ้าความมโนมันจะรู้ทันเลยมันจะมาหลอกทางไหนถ้าเราไม่ต้องการไม่มากๆๆปิกๆบังๆอะไรมันไม่ถูกหรอกมันไม่ถูกยังยังจะเพราะฉะนั้นความ สติก็ๆไม่ใช่ไม่ดีไม่ชั่วถ้าเป็นมิจฉาสติก็ลึกๆเหมือนกันลึกไปวางแผนไปจะปล้นวางแผนไป แกเราไปฟังไม่ใช่เข้ามาตั้งนานพอไปครั้งที่ 2 หลบพ่อ มันเจอไปแล้วโกงกันนี่ไม่ได้หน่อยที่มันหลายครั้งเอาทีมันไม่เห็นหรอกนโยบายที่ในโกงที่ไหนเค้าก็ไม่รับ 2 หา นี่น่ะผลของความโลภต้องเห็นโทษกันเยอะแยะเออมีแต่อย่าไปโลภไม่ต้องอยากได้อะไรเลยไม่ก็จะได้ ถ้าคิดที่อยากได้เค้าจะให้เราเยอะเรายังไม่เอาเลยเพราะอะไรเค้าคุมจิตของเราทั้งนั้นอืมมันเห็นอนิมิตสร้าง เขาก็ทําตามนิมิตใช่มั้ยฉันตรงไหนทํานายมันบอกเห็นเราพิจารณาก่อนเออโยมบอกแค่ 500,000 2 ล้านนะเอาไปให้ 2 ล้าน 2 ล้านก็เหลือสิพอ อยากน้อยได้ไอ้แต่บันไดมากอยากหลายไม่ได้เลยๆเออโทษดนหลอกก็อยากได้มากใช่มั้ยล่ะมีกันไปได้มีธนาคารมันถ้าไม่ที่อยากได้มากนะมันจะอยู่แค่นั้นแหละแต่มันโดนหลอกมาทํา พอมันลงรูปที่จะหมดเลยเป็นอย่างนี้น่ะพอนาทีนี่เราก็นาทีเลย พอไปป้ายมันเหนื่อยมันก็ผิดผิดบ่อยบอกว่าปิดครับบอกว่าปิดก็แปลได้ <laughs> มันลืมลืมครับเพราะบอกไปได้อยู่แต่ว่ามันลืมมันทํางานผิดงานไม่การๆไปมันสังขารเสื่อมมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเพลียมันจะลืมเด้อลืมก็ได้บอกลืมได้บอกบ่อทั้งหลายครั้งธรรมดา <s lichen> สตินสะติมโตสุเวสโยภาวะเรามีสติเวลาทําเวลาพูดคิดอยู่มาจะนั่ง จับได้มันจะพันเออมันได้เป็นว่าอ่าละครตีไม่มีคนเอ่อละครดังไม่มีคน นั่นสิเรานั่งทําอะไรเออนักทานอาหารเออเหตุผล อืมแล้วจะสํารวมกายว่าจะถ้าขอสํารวมแล้วเราก็ต้องสํารวม เออสารอาการมีความเจ็บความเจ็บเป็นธรรมดามันยังไม่โอ้มันเป็นอย่างนี้ หรอตัวพวกเครื่องเครื่องเครื่องไอ้เนี่ยสวนเนี่ยมันไม่ว่างเค้าอ่ะไปว่างอะไรลงไปบ้านระดับนั้นน่ะลงลุงลาษน่ะเออคนรวยใช่ ทำมาจําเป็นเนี่ยถ้าไม่ไปต่ํามันมันก็ออกมาให้เราเราก็มารอไปกระเสือกไห้เห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆชอบ อะไรถ้าหาว่าคอมดันระบบทํางานของของหัวใจมันฆ่า 자기 ที่จะไปก็ลู่แล้วก็ไม่งานแล้วก็ตายแล้วเตรียมอย่าไปดิ้นรนให้มันตายมันสาดที่ 4 แล้วก็อย่าไปอย่าไปฝืนต้องรักษาประเสริฐอย่าไปอย่าไปอยากอยากอย่าไปอยากให้มันหนุ่มอาจ ให้ชื่ออะไรคนมันขาวเลยแล้วก็ไอ้กากๆไปว่ามันดับกับพ่อเลย <laughs> บางท่านผู้มีเอ่อบารมีในเป็นอ่าพระที่มี <c oughs> 4 ทำมาลืมชื่อชื่ออะไร แต่ลอทั้งสาร์เนี่ยเรียนอะไรไม่จําเลยเออที่พี่ชายกระดุแล้วเป็นเพราะเจ้าของมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เท่านั้น อีกหน้าแปลกเข้าใจกันแป้งมันปลดปลดคนราชสถานอสุภะเห็นแปด แต่อยู่ในสงบอยู่นี่ส่ําคนจิตว่างนั่งได้หลายชั่วโมงลักษณะนี้นะ okay. เอ่อวิปัญญามันมีแสงสว่างนะแต่ว่าอาชีปัญญางมดแต่ เข้าใจเหมือนกันหมดเลยพุทธะคือสังขารรู้อนิจจังทุกขังหน้าตาหมดอนิจจังทุกขังหน้าตาเป็นสัญญาอารมณ์มันไม่สัจจ์ใช่มั้ยเข้าถึงจิตปุ๊บก็ <S an> สักถอนนี่อ่านี่เป็นอย่างนี้มันเป็นธาตุธาตุเอ่อมโนธาตุมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวไงมันทําหน้าที่อย่างไม่มีไม่มี จะทราบไม่การได้เพราะว่าหูเป็นใหญ่ในการได้ยินจุบเป็นใหญ่ในเรื่องแวเป็นใหญ่ในกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ใน อารมณ์ธรรมอารมณ์นั่นแหละมโนคือใจมโนธาตุธาตุเป็นธาตุรู้โดยออโตเมติกไม่มี เป็น 6 หูตาจมูกลิ้นกายใจอีกเป็นอย่างคือทําหน้าที่อย่างเดียว จะรู้แกล้งแกงต่อ ผู้ต้องจะรู้เรื่องความจริงของของอารมณ์ทั้งหมดอืมในการที่ปฏิบัติเพื่อนี่เป็นเป็นสังโฆถ้าปฏิบัติไม่ไม่ สมาอาวัจจะสมากรรมตัวสมาอาชีพกับทํางานเพื่อจะออกจากกรรมทํางานเพื่อจะไม่ยึดไม่ติดไม่ถืออะไร ชาวมหบาปเปิดเอ่อแล้วก็นึกว่ารูปาบาปเปิดถ้ามีสันญาสะต่อกันโสภิชาเราอยู่ สง่าอยู่ด้วยกันนี้เป็นบางทางมากล่าวอย่างเนี้ยสําหรับสมมว่าจะโมเพียรเนี่ยที่ว่าเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นเนี่ยก็เพียรระวังก็จะต้องมีปัญญาตลอดเวลากุศลอ่าสู้กับสัมปะทาต้องเจริญกุศลให้ เอ่อจึงเตรียมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นเจริญละบาปให้เร็วเอ่อเปลี่ยนพยายามทําอะไรที่ยังธรรมะอะไรที่ยังไม่เคยได้เคยดีเคยมี เออถ้ายาก็ถึงต้นไม้เป็นยาหมดปกติธรรมดาอืมพออีกกระทบปั๊บมันเลี้ยง <S preach science> ยังเหมือนกันใครจะมาทําอะไรไปๆป้าคิดทับรู้จําทับรู้ตับทับชี้ขึ้นไหนนะอ่าไปยังก็ดับแล้วจะใครไป เอ่อปัญญารอบรู้ในไอ้ของสังขารก็คือความปุงคติของหัวจิตนี่แหละอันนั้นก็เอ่อถ้ารู้แกงตัวนี้แล้วจบแค่นั้นน่ะมันจะไป เหมือนคนเค้านั่งอานาปานสติก็เป็นสมาธิเหมือนคนที่พิจารณากายกายคตาสติเค้าก็ถูกถ้าภายในออกภายในกายเนาะเอโพธาลติปรภวนาโพธะก็ถูกธัมมาสติภาวนาธัมโมก็ถูกสังฆาฏิภาวนาสังฆโฆก็ถูกอริยถึงฌานก็ถูก <im sharing> <im> <så> <society> <Okay. S 2> อ่าได้พอดี พระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเราทั้งหลายต่างเกิดมา ท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์ ตาย ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นธรรมซึ่งเป็นก็ สิ่งต่างๆที่เคยมีและผ่านเข้ามาตะเกียดตะกายดิ้นรนขวยขวาทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สิ่ง ยกโทษผู้อื่นและยกคุณของตนเองแทนที่จะยกคุณของผู้อื่นยกโทษตนพิจารณา